50 languages. 45 i f t y Pantali. t h e r i n e m a Cinema c a r v e We want to go to h e cinema. s i cinema car jana c h h u n d e ha. a s i cinema car jana c h h u n d i a ha. วันนี้มีหนังดีฉายอาจจะเกชังกีฟิล์มฉายอยหนังเรื่องนี้เข้าใหม่ฟิล์มเอกดัมนัมีช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะตักวจกิเ้มาที่ไยังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะที่ ज าจจะไม่มีที่นั บัตรผ่านประตูราคาเท่าไรคะตั๋วก न ่เนื้อดียังฮันหนังเริ่มกี่โมงคะฟิล์มกี่โมงจะเริ่มดีเหหนังฉายกี่ชั่วโมงคะฟิล์มกี่เนื้อวันจันทร์จะเลกีจองตั๋วล่วงหน้าได้ไหมคะที่ตั๋วตั๋วราคาการันตีต่จักด ดิฉันต้องการน ن ن خ خ ั ا ا ่งข้างหลัง मैं सब บโ प ้พิชเช่เบียด द ा हा จวบด้าห์แม้สับโต้พิชเ द ी हा ีดีิฉันต้องการน ن ن ا ا ั่งข้างหน้า मैं सामने बैठना च ยดหนाาจंบด้าห์แม้สัมบันย์ียดิฉันต้องการน ن ن ے ے ا ا ั ے ے ا ا ่งตรงกลาง मैं วิจารเจเหेบเบียดाน้าจวบด मैं ์แม้วิจารเจเห็บเบียดหน หนังน่าตื่นเต้นฟิล์มชังกิซีหนังไม่น่าเบื่อฟิล์มนิรสไหนสีแต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะปาร์สฟิล์มดีกิตาบนังเยอะจาดังกิซีดนตรีเป็นอย่างไรสังขีตเกฮูเจฮาซีนักแสดงเป็นอย่างไร